เบื้องหน้าอนุชากวดมาทันดารินแล้วช่วยต้นแขนหมับจับให้หยุดนิ่งอยู่กับที่พี่น้องผู้ต่างคนต่างทันกันมองหน้ากันส่วนนันอินเชฐิฐาช ย, ยันกำลังพากันจับหมูตามกันมาอย่างเร่งด่วนนี่อย่าชะล่าใจให้มากนักนะน้อยพี่ชายกลางเตือนเสียงต่ำๆน้องสาวคนสวยยิ้มกราน เอาหลังมือเช็ดเหงื่อที่จับพราวบนขนตากระซิบเช่นเดียวกันผ่านฉดแน่จริงป่ะนี่ถ้าไม่แน่จริงอะ่ะฉันก็เป็นพี่ชายของผู้หญิงอวดดีที่ชื่อดารินไม่ได้หรอกแต่อยากจะตื่นไว้อีกครั้งเนาะแม้เธอจะได้ถ่ายทอดวิชาสารพัดมาจากระพินแต่มันก็ยังไม่มากนักหรอกอย่าทะนงไปเธอไม่รู้หรอกเพราะมื อ, อใจที่ผ่านมาเนี่ย มันแค่เส้นยาแดงผ่าแปดนะมันกระโจนขึ้นมาทางชะ ง, ง้อนหินด้านหลังเธอแล้วรู้เปล่าดาลินยักไหลย้อนถามกลับมาว่าอ่ะเพิ่งเห็นเหรอโหช้ามากรันชดเพิ่งมาเห็นอะไม่อีตอนนั้นความจริงอะมันโผล่ทางด้านโน้นมัน่งทางด้านนี้มั่งรอบตัวเราเต็มไปหมดแอบมองเรอยู่ตลอดเวลาแล้วเอาละถ้าแน่จริงแล้วก็ แยกมากันน้อยทางด้านนี้ตามลําพังสองคนไหมล่ะเราปล่อยให้พี่ใหญ่ชยันลุงอินแล้วก็พวกนั้นไต่ทางตามหลังเจ้าด้วนลงไปก่อนอนุชาก็แน่จริงสมกับอดีตของเขาเหมือนกันชายตามองน้องสาวอย่างขมิเขมิบแล้วหันมาทําสัญญาณตีมือพร้อมกับพูดกรอกลงไปในวิทยุว่าพี่ใหญ่ครับไม่ต้องตามมาที่ผมกันน้อยนี่นะครับขอแยกลงทํา ตามทางด่านน้ําไหลซีกซ้ายมือน้อยก็มีธุระ ส, ส่วนตัวหน่อยและผมก็จะอยู่เป็นเพื่อนครับเดี๋ยวจะตามลงไปครับบอกพวกเราทุกคนถ้าเห็นตัวถนัดเมื่อไร่แล้วก็ยิงทันทีนะครับแล้วก็ระวังขณะที่ผ่านแก่งแง่โคดหินหรือยอดหินสูงสูงอะ่ะไอพวกนี้มันชอบกระดุกระโจนลงมาจากที่สูงครับเชิฐาและชยันไม่สงสัยหรือรู้ความในอะไรระหว่างอนุชากระดาริง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 เอาละน้อยเธอมีอะไรจะลองดีพี่ว่ามาที่พี่กลางมาสัญญากันก่อนตกลงไหมสัญญาอะไรก็สัญญาว่าถ้าพาไปให้เห็นอะไรชัดๆกระตาแล้วแล้วก็ขอยืนดูอยู่เฉยๆอย่ายิงยกเว้นอย่างเดียวถ้าหากมันกระโจนเข้าใส่ จึงจะอนุญาตให้ยิงป้องกันตัวได้สัญญาได้ไหมอดีตพรานชุดจ้องหน้าขมิงงอ๋ได้แต่ถ้ามันขบขมองเธอจะฉันทำไงนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะลองดูกันว่ากำลังใจของเราทั้งสองนะใครจะแน่กว่าใครเอาเป็นว่าถาน้อยบาทเจ็บหรือตายก็ปล่อยน้อยได้เลยเอาตัวพี่กลางให้รอดคนเดียวเท่านั้นแหละ พูดบบว่าจะจะมาไม่ไหนอ่ะน้อยก็แค่เป็นการทดสอบระหว่างเราสองคนไงว่าในป่าใหญ่ไพรดำนี่อย่างน้อยพี่กลางก็จะได้เลิกดุเลิกว่าหรือคอยห่วงกังวลกันน้อยสักทีโน่นไปคอยห่วงกังวลกับพี่ใหญ่หรือชายันตลอดจนคนอื่นๆเะอะตกลงถ้ากล้าพ่อก็ ว่าพอที่จะสะพายปืนโดยแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมจะเข็นฆ่าราวีพวกมันไหมล่ะคะพี่กลางถูกท้าเข้าแบบนั้นอนุชาหัวเราะแค่นแทนเหวีย่ยงไรฟ้ลที่ถือเตรียมระวังอยู่สะพายไหลทันทีได้ได้ได้ดารินปฏิบัติตามเช่นกันไรฟ้ลที่ถืออยู่ในมือตลอดระยะเวลาที่เดินมาสะพายไว้กับไหลแล้วหลอนก็พยักหน้าพร้อมก็ออกเดินเลาะลัด ไปตามหมู่โขดหินอันเป็นซอกแคบๆนั้นพี่ชายกลางเดินตามไปอย่างกระชั้นชิดกว่าตามองสังเกตไปโดยรอบพอเลี้ยวรับซอกหินที่ยืนกันอยู่แต่แรกไปได้แค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นก็ได้ยินเสียงคู่แฟเหมือนเสียงแมวขนาดใหญ่ดังแววออกมาเบาๆต่อมาก็เป็นเสียงคำราม ดารินหันมาชายตาดูพี่ชายกลา ง, งเขาเม้มริมฝีปากแน่นยังเดาไม่ออกว่าน้องสาวจะเล่นพิเรนอะไรได้แต่จ้องเขม็งอยู่เช่นนั้นไร่เฟนสะพายไว้กันไหลแล้วก็จริงแต่มือแตะอยู่ที่ด้ามปืนพกจุดสี่สี่แมกนัมข้างเอวหล่อนอมยิ้มแขนเขาพาเดินต่อไปรับเหลี่ยมมุมหินนั่นเองอนุชาก็ยืนตะลึง ข้อมือของเขาข้างที่กำด้านจุดสี่สี่แมรอันกำลังจะชักออกมาถูกน้องสาวยึดไว้มัน่นพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆว่าอย่าเลือดในกายของอนุชาเย็นเฉียบแทบจะจับเป็นก้อนแข็งแต่ดารินมองไปยังโพรงของซอกหินใหญ่อันเป็นเวงนั้นด้วยอาการสงบนิ่งสิ่งที่เห็นเสือดาวภูเขาเพศเมียตัวหนึง่ง กำลังนอนตะแคงหันหน้ามาทางบุคคลทั้งสองดวงตาของมันในเงาสลัวเขียวปราบลุกโชนเรากับฝังไว้ด้วยมรกตปากแยกเขี้ยวแดงฉานเป็นเขี้ยวแหลมโคม้งทั้งล่างและบนซุกอยู่ในซอกทองของมันที่หันออกมาทางด้านหน้าคือลูกน้อยตัวเล็กๆขนกำลังฟูน่ารักอายุไม่น่าจะเกินสี่อาทิตย์ ขนาดแมวบ้างกำลังนอนดูดนมนางแม่อยู่สามตัวในบริเวณนั้นมีกระดูกและเศษเนื้อของสัตว์ประเภทเลียงผาหรือแพะภูเขาทิ้งอยู่กราดเกลื่อนข่าวเลือดขาวเนื้อยังสดสดอยู่กลิ่นสาบสางโชยมาสัมผัสจมูกอย่างแรงท่าทีของนางแม่เหมือนจะพุ่งกระโจนเข้าใส่แต่มันก็เพียงแต่อ้าปากเสียขู่ และนอนให้ลูกดูดนมอยู่เช่นนั้นสองตาหน้าสะพึงกลัวจ้องขมิงมาที่มนุษย์หนุ่มสาวซึ่งเข้ามายืนมองมันอยู่จนถึงโพรงถ้ำห่างเพียงไม่เกินสี่ห้าวางแม้จะจิตใจกล้าแข็งและผ่านเผชิญกับอะไรต่ออะไรมาแล้วสารพัดบัดนี้อนุชาวราริษเงือแตกพลักยืนกายแข็งไปหมดระยะขนาดนี้ แม้แต่ปืนพกสั้นเขาก็ชักไม่ทันแน่หากมันชาร์จเข้ามาแต่น้องสาวของเขายืนสำรวมนิ่งมือทั้งสองประสานเข้าหากันในระดับเข็มขัดดูเหมือนหล่อนกำลังสงบจิตภาวนาอะไรอยู่ในใจแล้วอึดใจต่อมาก็ค่อยๆ ย, ย่อกายลงนั่งคุกเข่ากับพื้นดีดนิ้วเบาๆ แล้วสิ่งที่พลานชดไม่เชื่อสายตาก็พลันปรากฏขึ้นลูกน้อยน่ารักราวกระตุกตาของมัจจุราชแหง่งขุนเขาสูงก็พละจากเต้านมนางแม่เอี่ยวคอมามองทางหญิงสาวอาการของมันเหมือนลูกแมวที่มองเห็นมนุษย์อันเคยให้ความปราณีพากันพละออกจากท้องแม่ของมันคลานตุม้มเตียมเตาะแตะเดินตรงเข้ามาหาดารินทั้งสามตัว ตาของหล่อนไม่กระพริบเลยแต่ดีดมือเรียกอยู่เช่นนั้นเข้ามาไอ้หนูเข้ามาสิฉันไม่มีอันตรายอะไรกับเจ้าหรอกแล้วสำหรับเธอแม่พยักคีจงสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นเราไม่เคยมีเวรภัยใดๆต่อกันมาก่อนเลยและพวกเราก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆกเธอแกลูกของเธอหรือพวกเธอด้วย นี่คือสัจจาทิสถานของเราขณะที่ยังยืนตะลึงอนุชาได้ยินเสียงกระซิบนั้นอย่างชัดเจนแม่เสือหุบ ป, ปากที่อ้ากว้างลงแล้วแต่ยังแยกเขี้ยวขาวนอนสงบนิ่งตรงนั้นเหมือนถูกสะกดส่วนลูกเล็กๆน่ารักของมันทั้งสามตัวเดินล้มลุกคลุกครานเข้ามาวนอยู่รอบกายของดารินคลอเคลีย เอากายเสียดสีกับเข่าของหล่อนส่งเสียงร้องเบาๆดารินประคองอุ้มขึ้นมาจุ บ, บนหัวของมันทีละตัวลูกคลําเล่นอยู่ชั่วขณะในขณะที่นางแม่ยังมองนิ่งมาโดยไม่ขยับขยื่นต่อจากนั้นหล่อนก็ผลักมันเบาๆทั้งสามตัวสั่งว่าไปเถอะกลับกลับไปหาแม่ของเจ้าตามเดิมไปที เหมือนจะรู้ภาษาเจ้าเสือน้อยเพิ่งจะเกิดทั้งสามตัวผลักจากมนุษย์สาวต่อแตะ 8. คลานกลับเข้าไปปีนป่ายอยู่บนตัวนางแม่ของมันตามเดิมแต่ยังไม่ไายหันหน้ามามองดูล่อนดารินลุกขึ้นยืนตรงแล้วจับมือพี่ชายก้าวถอยหลังช้าๆบบกมือให้ลาก่อนนะพยักคีและลูกน้อยทั้งสาม และค่ะมีเลือดเนื้ออันเดียวกันเป็นสัตว์ร่วมโลกร่วมปัตภีเดียวกันขอให้จำเริญสุขตามอัตภาพเถอนะเราเพียงแต่ขออาศัยผ่านแดนเท่านั้นเสียงคำรามในลำคอของนังแม่ซึ่งใหญ่ขนาดหมาอันเซเชียนเบาๆครั้งหนึ่งแล้วมันก็ก้มลงเลียลูกทั้งสามตัวโดยไม่ได้แสดงอาการสนใจอะไรกับหลอนและอนุชาอีกเลย ราชสกุลสาวจูมือพี่ชายกลางกลับออกมาจากตำแหน่งที่เคยยืนกันอยู่เดิมอนุชายยังมองน้องสาวตาค้างอยู่เช่นนั้นสะบัดหน้าเรา่าเรา่าขจัดความมึนงงน้อยเขาครางออกมาเสียงแหบๆดารินยกมือแตะริมฝีปากไม่ต้องพูดอะไรอีกนะคะพี่กลางแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไว้ซะ ไม่ต้องไปพูดนะพี่ใหญ่ชัยันหรือใครได้ยินเปน็นกัรขาดนี่พวกเราที่ร่วมหน้าไปก่อนเนี่ยจะถูกพวกมันโจมตีไหมเนี่ยรับรองว่าไม่ค่ะน้อยทำได้ยังไงเนี่ยในสิ่งที่น้อยพาพี่ไปเห็นมาเนี่ยพี่กลางคะ่ะนานอินที่ว่าเก่งกาดนะเคยทำอย่างนี้ได้ไหมคะ่ะดารินย้อนกลับมาแผ่วเบา ไม่ได้แต่เธอค่ะน้อยทำได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสติพร้อมอยู่ในตัวเช่นนี้น้อยเห็นน้อยรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาครั้งแรกมันจะเล่นงานเจ้าด้วนของเราซะด้วยซ้ำแต่เมตตาจิตที่น้อยแผ่ให้ทำให้มันไม่เข้ารุมทาอันตรายใดๆกระช้างของเราที่กลางก็รู้อยู่แล้วนี่เสือประเภทนี้หลายๆตัวกระโดดเกาะหลังช้าง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 เราปลอดภัยแล้วล่ะไปเถอะเดินตามพวกนั้นไปได้แล้วเดี๋ยวเป็นห่วงกันแย่สองพี่น้องออกเดินไปด้วยกันตามหลังหมู่คณะที่เห็นล่วงหน้าลิบลิลงไปก่อนแล้วอนุชาเอามือขยี้ปลายจมูกเขาไม่อาจเข้าใจน้องสาวของเขาได้เลยพี่น้อยพี่อยากรู้จริงๆว่าเธอทำได้ยังไงในสภาพที่พี่เห็นนั่นบอกได้ไหม ระพินเหนือที่เป็นครูสอนเธอแบบเนี้ดารินสันศีสัพช้าๆเปล่าแล้วค่ะพี่กลางรับพินจะสอนก็แต่เฉพาะวิธียิงสัตว์เดินป่าแล้วก็แก้อาถันเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็เป็นการสอนชั้นประถมเท่านั้นเรียนจากเขายังไม่ถึงขั้นมัธยมต้นซะด้วยซ้ําแต่มหาฤาษีกลทัญญะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวน้อยขณะนี้ต่างหากสิคะ ที่เข้ามาเดินจิตเดินใจสอนให้น้อยควรทำยังไงบ้างคราวนี้พี่กลางพอจะเชื่อมั่นวางใจในตัวน้อยได้หรื อ, อยังล่ะคะว่าถึงยังไงกลางป่าทุกขนทุกแห่งน้อยเอาตัวรอดได้เสมอขณะนี้น้อยยึดมั่นอยู่อย่างเดียวคือเมตตาต่อทุกสรรพสัตว์จะไม่เบียดเบียนทาร้ายเว้นไว้แต่ประการเดียวถ้าแผ่เมตตาแล้วยังไม่รับยังเข้ามาราวีอีก อันนี้ก็ต้องถือว่าเคยมีเวรกรรมกันมาก่อนซึ่งก็ต้องแก้ไขไปตามที่เห็นสมควรละค่ะอนุชาโอบแขนไปกอดน้องสาวไว้แน่นพยักหน้าลงพี่ก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าน้อยนี่บารมีจากกุศลละจิตและทานที่ตั้งมั่นไว้แล้วนะ่ะเป็นอำนาจทางจิตที่ยิ่งใหญ่มากพี่แท้ไม่เชื่อสายตาเมื่อกี้นี่ยนะรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตหรือฝันไป แต่มันก็เป็นความจริงเอาละเมื่อ น, น้อยมีตะบะชานถึงขนาดนี้แล้วพี่ก็สบายใจขึ้นมากทีเดียวแล้วก็หมดกังวลไปเกือบหมดบอกตามตรงพี่ยอมแพ้เธอพี่กลางคะน้อยไม่คิดที่จะเอาชนะเอาแพพี่กลางหรือใครทั้งสิ้นล่ะคะก็บอกแล้วไงคะแค่อยากจใจพี่กลางไว้วางใจน้อยเท่านั้นแล้วก็บอกไว้ก่อนเลย ถ้าแม้ว่าเกิดเหตุเพศภัยฉุกเฉินอะไรขึ้นหรือน้อยมีอันเป็นไปต้องพลัดพรากสูญหายไปก็ขออย่าได้ห่วงให้มากนักคอยปลอบใจพี่ใหญ่และชัยยันตลอดจนพวกเราทุกคนไว้ด้วยว่าถึงยังไงยังไงน้อยก็ต้องรอดปลอดภัยเสมอที่ไม่แน่ใจก็มีอยู่ประการเดียวเท่านั้นล่ะคะ่ะเสียงของดารินพร่าเครือลงกลายเป็นกระซิบเหมือนรำพึงกระตนเอง นั่นคือน้อยจะตามระพินได้พบหรือไม่ทันการหรือไม่เท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปิดทางในด้านนี้สําหรับน้อยทั้งหมดไม่ยอมให้ข่าวอะไรเลยทั้งสิน้นมันมืดมิดเหลือเกินค่ะพี่กลางมืดมิดจริงๆพี่ชายกอดแน่นเข้ามาอีกทําใจดีๆไว้น้อยทําใจให้แน่วแน่มั่นคง เหมือนตอนที่น้อยเข้าไปพบกับแม่เสือตัวนั้นจนถึงถ้าของมันพี่รับรองว่าเราจะต้องได้ข่าวเขาแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแล้วน้อยก็ต้องทำใจให้ได้นะสมมุติว่าสมมุติว่าเราตามไปพบเขาในสภาพที่หาชีวิตไม่แล้วดารินฝืนยิ้มท้งน้ำตาคลอค่ะพี่กลางน้อยน้อยทำใจไว้แล้วล่ะค่ะ แล้วก็รู้ว่าชีวิตของมนุษย์เราอะมันไม่สมหวังไปสมบททุกสิ่งทุกอย่างละคะ่ะขณะนั้นเองก็มีเสียงเรียกวิทยุมาจากพี่ชายใหญ่น้อยกลางทั้งสองคนแหละเร่งฝีเท้าหน่อยสิเราพบดงดิบแล้วก็หน้าผาน้ำตกขนาดใหญ่คอยอยู่เบื้องหน้าแล้วเป็นน้ำตกใหญ่แล้วก็สวยงามที่สุด นับตั้งแต่เราเคยเดินป่ากันมาไหลลงมาจากเทือกเขาสูงลิบข้างหน้าเจาา้ามกคุเทศหางด้วนของของน้อยนะ่ะนำทางได้วิเศษจริงๆมันนำเรามาพบกับแหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งน้ำพืชแล้วก็สัตว์ครับครับครับเรากำลังจะตามไปเดี๋ยวนี้นะครับพี่ใหญ่แต่ขอทราบนะครับเห็นวีแววของสือภูเขาอีกบ้างไหมมาติดตามไปบ้างหรือเปล่า อนุชาร้องถามลงไปในวิทยุมือถือของเขาไม่มีเลยแม้แต่เงาไม่โผล่ไม่เห็นสักกระตัวตอนนี้เราสองกล้องมองเห็นแต่ลิงข้างชนีแล้วก็นกสารพัดชนิดไม่น่าเชื่อต่างจากสภาพอันแสงจากรกดานแห้งแรงไม่น่าเชื่อว่าจะมีป่าอุดมสมบูรณ์ซ่อนอยู่ข้างล่างแต่มันก็น่าระแวงภัยอยู่เหมือนกันเชี่ถาตอบขึ้นมาด้วยอย่างยินดี พี่ใหญ่คะตอนนี้ยังมองเห็นเจ้าด้วนอยู่อีกไหมคะดารินฐานลงไปบ้างตอนนี้มันหายไปแล้วล่ะสงสัยจะเข้าไปหาอาหารกินในป่าล่างมันเองก็ต้องการน้ำและอาหารเหมือนกันแต่มันก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วล่ะอ่ะรีบหน่อยนะทั้งสองคนแหละใกล้คำเต็มทีแล้วเวลาไม่คอยท่าแล้วสองพี่น้องเร่งฝีเท้าติดตามคณะลงไปโดยเร็ว ชิงแสงสุดท้ายของทิวาการที่จะรับเหลี่ยงไปเราไม่ให้เสียงน้ำตกที่ไหลถาดทันลงมาเหล่านั้นดังอื่ออึ่งเกินไปนักเพราะเท่ากับเป็นการกลบเสียงอื่นๆที่จะเกิดขึ้นด้วยและบัดนี้คณะฝ่ายนายจ้างทั้งหมด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 ละอองน้ำจากเบื้องบนที่แผ่กระจายปกคลุมไปทั่วทำให้เกิดอาการเย็นชํำและเปียกชื้นกันไปหมดความร้อนระอุผักผ่าที่ผ่านมาตลอดทั้งวันนี้เปลี่ยนสภาพไปเป็นโรงข้ามและทำท่าจะกลายเป็นความหนาวเย็นขึ้นในทันทีบริเวณโดยรอบใกล้เขียนเต็มระดษฐ์เครือเถาวัลพันไม้น้ำกล้วยพันไม้ต่างๆออกดอกสะพรั่งสวยสดงดงาม ทั้งดอกและใบซ้ำยังมีดงกล้วยป่าบางชนิดออกเครือทั้งยังดิบแล้วสุกเหลืองอารา่ามมีรอยนกจิกกินอยู่ในชายดงฝั่งตรงข้ามลึกเข้าไปอีกเป็นป่าดึกดำบันทึบทะมึนเขียวครึ้มไปด้วยยอดไม้สูงแบบดงดิบล้วนแล้วแต่ไม้ใหญ่มีอายุอย่างต่ำก็สองสามร้อยปีขึ้นไปทั้งสิ้นสำหรับพวกที่มีลาต้นสูงชลูดเหล่านั้น ชนีโวกโวยข้างกูตะค้อโครกคราดและไล่กันอยู่ตามกิ่งไม้สูงไหวยวกยากรอบด้านไปหมดผีเสื้อและนกหลากสีเป็นส่วนประกอบของบริเวณทั่วไปแก่งแง่โคดหินรอบตัวกระทบปลายแดดผีตากพะอ้อมเป็นประกายราวกับเพชรมิงจินดาแลสูงขึ้นไปบนตะพักแอ่งน้ำ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 ระหว่างที่ขยินคุมพวกลูกหาจัดเตรียมที่พักและก่อฟื้นหงหากลุ่มนายจ้างทั้งหมดและหนานอินยังคงยืนสำรวจพิจารณาบริเวณน้ำตกขนาดใหญ่นั้นโดยยืนเรียงรายแยกกันอยู่คนละมุมใช้กล้องส่องสำรวจไปทั่วๆเบื้องสูงขึ้นไปเดี๋ยวเชฐาก็ชูมือขึ้นสูงดีดแรงๆหลายครั้งเรียกให้พักพวกที่แยกย้ายกันสำรวจอยู่ยังมุมต่างๆให้เข้ามารวมกลุ่ม ลุงอินลุงเคยพบผ่านแหล่งน้ำตกใหญ่บริเวณนี้มาก่อนหรือเปล่านั่นเป็นคําถามแรกของหัวหน้าคณะที่มีไปยังครูกามก็เคยนะในใหญ่นั้นอินก็ตั้งใจจะพาทะลุถ้ำที่เราพยายามจะเข้าไปเมื่อตอนบ่ายเนี่ยก็จะตัดทางออกมาที่นี่แหละถ้าเราเข้าไปไม่ได้อย่างที่เห็นละ่ะไอ้ด้วนมันพาเลาะลัดมาตามร่องเนินเขา กันมาถึงที่นี่ได้เหมือนกันดีแฮะนี่ก็แปลว่าเราไม่ผิดเป้าหมายที่เจตนาและมุ่งหน้ามาตามแผนเดิมของลุงนาทีนะชยันถามสวนมาโดยเร็วครูพรานสั่นสีสับไม่ผิดนายทหารเพียงแต่ผิดกันคนละเส้นทางเท่านั้นนันอินกะจะพามุดทาแต่มุดมาไม่ได้เพราะมันร้อนจัดผิดปกติไปมากนายหญิงให้อด่วนนา เราก็เดินตามมันมาสงเดชเสียงบุญเสียงกรรมไปตามเรื่องแต่มันก็นํามาตรงกติหนานอินต้องการให้มาถึงก่อนคาวันนี้หละแล้วแกก็ชี้มือไปทางด้านหลังก่อนที่เราจะลงมาถึงใต้น้ำตกใหญ่นี่ตรงปุเขาถิ่นของไอ้ดาวฝูงนั้นตามลงไปอีกสักลูกเขาหนึ่งจะเป็นตากท่านด้านหนึ่งเป็นเส้นทางออก เรามุดกันเข้ามาอย่างที่หวังไว้ครั้งแรกเนี่ยเออกลางนายเคยผ่านมาที่นี่พร้อมกับลุงอินบ้างไหมสมัยก่อนเนี่ยพี่ชายใหญ่หันมาถามน้องชายอดีตนักเดินดงของเขาไม่เคยครับพี่ใหญ่ครั้งก่อนผมกับลุงอินไม่เคยผ่านมาทางด้านนี้หรอกลุงอินคงจะผ่านมาทางนี้ตามลาพังเพราะแกก็บุกอยู่ในนรกดานี่นานก่อนที่จะมาเดินอยู่กับผม มันแปลกมากครับในความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศอย่างกระทันหันแค่ไม่กี่สิบกิโลเมตรมานี่เองเรายังเดินกันอยู่ท่ามกลางภูเขาแห้งแล้งมีลักษณะเป็นภูเขาไฟแล้วจู่ๆพอพ้นทิวเขาอันร้อนอย่างมาหาการเหล่านั้นก็มาพบกับป่าดิบอันชุ่มชื่นต่อเชื่อมกันเลยแต่ก็นั่นแหละครับนรกดามันมีอะไรที่ประหลาดประหลาดไม่ใช่ไม่น่าเชื่ อ, อยางนี้เสมอแะครับ เทาืาเงยมองระสูงขึ้นไปยังยอดของทิวเขาเบื้องบนอันแทบจะยันเม็ดนั้นอีกครั้งอย่างใคร่ครวญพืนนพ ăm เบาๆตรงที่เรามายืนกันอยู่นี่มันก็ยอดเขาอยู่แล้วแต่ยังมีสูงซ้อนขึ้นมาอีกจนคำนวณไม่ได้มีแอ่งของน้ำตกที่รองรับกันอยู่เป็นชั้นๆนับไม่ถ้วนลดลันกันลงมาเป็นลำดับทีเดียว เดินกระพินคราวก่อนนั้นก็ไม่เคยพบแ ห, แหล่งน้ำตกที่ใหญ่ถึงขนาดนี้ตามปกติแล้วน้ำตกมันควรจะเป็นไปตามฤดูกาลถ้าฝนตกชุกบนยอดเขาน้นามากๆมันก็จะไหลแรงจะสังเกตตลอดระยะเวลาที่เราเดินมานี่ไม่เคยปรากฏฝนมากมายเลยมีก็แต่ความแห้งแรงแต่มันก็แปลกนะน้ำที่นี่ดูเหมือนจะไหลแรงตลอดการไม่มีที่สิ้นสุด มันมาจากไหนกันเนี่เราก็แม่น้ําทั้งสายไหลมาจากภูเขาอย่างนั้นแหละเป็นไปได้ไหมคะคี่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งบนยอดสูงสุดของเทือกนี้มีทะเลสาบอยู่บนนั้นแล้วก็มีฝนตกอยู่บนเทือกสูงตลอดเวลาดารินรีตาคิดขณะที่พูดเหมือนรำพึงก็มันก็อาจจะเป็นไปได้นะน้อยจากสายตาที่กานวณดูนี่ พี่ชายใหญ่เว้นระยะไปช่วอึดใจจากยอดเขาอันเป็นแหล่งที่มาของกระแสน้ํากับตําแหน่งที่เรายืนกันอยู่นี่ห่างกันนับสิบสิกิโลทีเดียวน้ําไม่ได้ไหลลงมาในแนวดิ่งตรงแต่ไหลระลงมาเรื่อยๆจากยอดที่ห่างลิบลิออกไปน้นมันก็อาจจะมีทะเลสาบใหญ่อันเป็นที่มาของกระแสน้ําเหล่านี้อย่างที่น้อยว่าก็ได้นะ ฉันว่าถ้าจะพูดถึงหลักภูมิศาสตร์มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหลอวะชายันกล่าวขึ้นมาใต้ทะเลหรือมหาสมุทรยังมีภูเขาได้เพราะฉะนั้นบนยอดเขาสูงสุดมันก็น่าจะมีทะเลได้เหมือนกันตามหลักฐานตำนานของโลกพระเคราะห์ดวงนี้แม้แต่ยอดทิมาลัยก็เคยจมอยู่ใต้มหาสมุทรมิฉะนั้นนักสำรวจก็คงไม่ขุดพบเปลือกหอยสังบนยอดทิมาลัย อย่าไปมัวคิดค้นสนใจอะไรกันมันเลยเราพบแหล่งน้ำพบป่าอันเต็มไปด้วยสัตว์และพืชพันธุ์ภายหลังจากผ่านความแห้งแล้งมาตลอดก็น่าจะพอใจแล้วนี่ว่าแต่มาคิดถึงบริเวณที่เราจะพักนอนกันคืนนี้ก่อนเถอะว่ามันจะปลอดภัยเพียงพอไหมจากภัยที่จะมาในทุกรูปแบบอดีตพรานชดหันไปซุบซิบหาหรืออะไรอยู่กับพรานเท่าคู่ใจพักใหญ่ก็หันมาบอกทุกคนว่า ไม่มีอะไรจะมารับประกันให้ได้ทั้งนั้นแะครับแต่เราก็จะพยายามประมัดระวังตัวเองอย่างมากที่สุดอันถือเป็นหลักปฏิบัติกันมาแล้วโดยตลอดสำหรับลุงอินให้คำรับรองได้แับเพียงว่าตำแหน่งวางแคมป์จะให้ความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่แกจะหาได้ในแถบนี้รวมทั้งถ้าเกิดยัดผดน้าตกมันพุ่งแทงลงมามากแบบเดียวกรเกิดน้าป่ากระทันหันในตอนกลางคืน เราก็ยังพอมีที่หลบยึดเหนียวได้เพราะจะเข้าไปนอนในหลืบหินตำแหน่งที่จะไม่ถูกน้ำพัดนอกจากสายน้ำจะ ก, กระโจนเข้าไปหมดหากเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นออีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรจะระวังไว้นะครับเวลาจะลงอาบน้ำหรือท่องลุยไปตามลำธารอนุชาเอ่ยในตอนท้ายเสียงผิดไปเหมือนจะเพิ่งนึกขึ้นมาได้เวลาทุกคนลงอาบน้าก่อนค่าวันนี้นะครับ คอยระวังตัวให้มากครับแถบนี้มันมีสัตว์ประเภทเลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายอันตรายมากมักจะหลบอยู่อาศัยแถวแถวแก่งแง่หินหรือพงร ก, กริมทา น, น้ำลักษณะของพวกมันจะอยู่กันเป็นฝูงรูปร่างเหมือนคางคกแต่ตัวเขื่องกว่าเล็กน้อยมีเดือยแหลมอยู่ใต้คางถ้าหากเข้าไปใกล้ถิ่นอาศัยของมันมันจะตรงเข้ามาอย่างดุร้ายเหมือนสัตว์หวงถิ่นและจะใช้เดือยใต้คางของมัน ถูกสัว์ถ้าถูกเดือยของมันก็จะมีพิษยิ่งกว่าถูกจงอางกัดซะอีกถึงเราจะมียาแก้พิษที่พอจะป้องกันได้แต่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงซะไม่ควรให้มันเข้ามาเล่นงานเราได้เพราะจะทําให้เสียเวลาเจ็บป่วยกันซะเปล่าๆรานรุ่นเก่าเขาถือว่ามันเป็นบริวารของสางห่าเหมือนกันแล้วก็เรียกมันว่าสางหาน้อยหรือจะพูดให้ฟังง่ายเข้าก็คือทางก๊อกลําทานที่มีพิษนั่นแหละครับ ลุงอินบอกว่าแถวนี้น่ะชุมมากครับอถ้างั้นใครจะ อ, บอาบน้ําก็รี บ, รบๆซะเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านะแล้วก็อย่าแยกกลุ่มกันไปไกลให้บอกพวกพรานของเราทุกคนด้วยแล้วก็ให้ลุงอินสำรวจบริเวณที่จะลงอาบน้ำซะก่อนนะเนอะเทิดถาสั่งมาโดเร็วแล้วหันไปทางน้องสาวสําหรับน้อยก็จัด ก, การสาสสารตัวเองให้เร็วที่สุดนะอย่ามัวแต่ทะเลถลายเดินชมดงเล่นอยู่แถวนี้ล่ะธรรมชาติมันสวยก็จริงอะ แต่มันก็มีพิษร้ายอยู่ในตัวของมันทุกฝีก้าวย่างนะดารินรับคำอย่างว่าง่ายทุกคนกรากรำห ม, มักหมมมาทั้งวันแล้วต่างต้องการชาระร่างกายทั้งสิน้นนานอินกระโดดไปตามโขดหินที่งอกเต็มไปหมดครู่เดียวแกก็กำหนดให้ว่าควรจะมีตําแหน่งไหนบ้างที่ปลอดภัยในการลงอาบน้ำแล้วก็ตะโกนส่งภาษาไปทางพวกลูกหาพื้นเมืองสั่งความให้รู้กัน ทุกอย่างกระทําอย่างเร่งด่วนแข่งกระแสงโผล่เพล่ที่เริ่มจากขมุกขมั ว, มวลงไปเป็นลำดับในมุมของวงลอง้อมก้อนหินใหญ่และน้ำตื้นๆเพียงแค่สอกเศษปราศจากพงรกหรือซอกอันน่าสงสัยดารินถูกกำหนดให้ใช้เป็นห้องน้ำตามลำพังหล่อนใช้ขันพลาสติกตักอาบแทนที่จะลงไปไ้ายเล่นอยู่ในบริเวณที่ลึกและห่างออกไป เพราะปฏิบัติตามข้อแนะนำของหนานอินส่วนพวกลูกภาพก็ลงอาบกันอย่างสงบเสงี่ยมเงี ย, เยบเงียบอีกด้านหนึ่งโดยมีหนานอินคุมเชิงคอยดูแลอยู่ไม่มีใครแสดงอาการสำเริงสำรานหรือปราศจากความสำรวมในกระแสน้ำอันเย็นเฉียบนั้นต่างระมัดระวังตัวอยู่ทุกขณะกิตอนุชาอาบเสร็จก่อนทุกคน ขณะนี้เขาขึ้นมารับหน้าที่นั่งบนยอดหินคอยคุมให้กับน้องสาวคนเล็กโดยนั่งหันหลังให้เขาร้องเตือนอยู่ตลอดเวลาให้หล่อนอาบน้ำให้เสร็จเชะโดยเร็วพี่กลางคะหื่ตั้งแต่ผ่านทุ่งแฟที่มีรอยไฟไหม้เราแน่ใจแล้วว่าระพินพยายามปีนไต่ขึ้นไปบนเทือกสูงของยอดเขาอินซีส่วนพวกเราใช้เส้นทางเดินด้านล่าง แล้วไงจะเป็นไปได้ไหมคะปลายน้ำตกด้านล่างที่เรามาพักกันอยู่นี่น่าจะเป็นตำแหน่งเบื้องตำ่ำส่วนฝ่ายของระพินขนาดนี้น่าจะอยู่บนต้นน้ำตกบนยอดเขาสูงลิฟนั่นเออมันก็เดายากนะน้อยแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เท่ากันแหละแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นระยะทางมันก็ห่างกันมากนะน้อย และแม้ว่าพวกเขาจะอยู่บนยอดเขาเทือกเดียวกันนี่ซึ่งสูงลิฟขึ้นไปวันต่อๆไปเขาก็จะต้องบายหน้าลงต่ำเพื่อมุ่งเข้าหาดงดิบแน่นอนถ้าน้อยแน่ใจว่าเขาจะมุ่งเข้าหาแหล่งอันเคยเป็นที่ตั้งนิทรานครมาก่อนนะ่พี่กลางพี่กลางว่าเราจะหาทางดักสกัดในทิศทางลงของเขาได้ไหมคะมันก็ยากนะน้อย ทั้งเทือกเขาเทือกนี้แล้วทั้งป่าดงดิดดึกดับมันมันกว้างใหญ่เหลือเกินน่ะมีทิศทางลงนับหมื่นหมืนจุดทางด้านเราเองมุ่งเข้าหานิทานาครเป็นเป้าหมายต่อไปดีกว่านะโอกาสพบหรือได้ร่องรอยย่อมมีมากกว่าที่จะไปมัวค้นหาดักทางบ่ายหน้าลงของพวกเขานะพี่กลางคะสมมุตินะคะว่าถ้าเขาอยู่ด้านบนขนาดนี้ แล้วเราอยู่ด้านล่างขนาดนี้จริงมันก็ไม่ห่างกันมากแล้วนะคะข่าในเมืองมันก็ไม่ห่างกันมากหรอกน้อยแต่ในปา่าทึบแบบนี้ระยะจากยอดเขาและตีนเขาอาจจะเดินเข้าหากันทั้งชาติไม่พบก็ได้เนี่ยว่าแต่เรื่องนิทานคนครพี่กับลุงอินไม่ชำนาญ น, นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันควรจะอยู่ทิศไหนตำแหน่งไหนของเทือกเขาลูกนี้ น้อยจะพยายามค่ะพี่ใหญ่ชายันหรือแม้แต่ขยินก็ล้วนเคยผ่านกันมาแล้วถ้าเข้าถึงบริเวณจริงๆเราก็พอจะมีจุดให้สังเกตเห็นได้มันอยู่ในป่าวงล้อมของป่าดงดิบซึ่งใจกลางเป็นทุ่งโลง่งสลับป่าปโปรง่งแล้วก็มีเนินเขารูปหลังเตา่าเรียงรายอยู่นับไม่ถ้วนอาณาบริเวณนั้นเคยเป็นซากนครโบราณหลายร้อยตารางกิโลเมตรทีเดียวซึ่งในครั้งนั้น เราก็ยังสำรวจกันไม่ทั่วน้อยมีความรู้สึกเหมือนเก่าว่าเสียงพูดเรื่อของน้องสาวขาดหายไปเฉยๆเหมือนไม่อยากจะกล่าวต่อไปเอาว่าไปสิเหมือนก่าว่าอะไรเหมือนเก่าว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเป็นบ้านเก่าของน้อยเองแล้วการที่น้อยจะเดินทางไปยังบ้านเก่า มันก็ไม่น่าจะยากนักพี่ชายจุปากมาเบาๆควักบุรีจุดสูบบ้าเออเจอ้าอะรีบอาบนะ้ำไ่เสร็จเร็วๆเถอะมีอะไรก็ค่อยไปหาหรือกันตอนกินข้าวเย็นแล้วกันนี่จวนจะหมดแสงจังทีเลยนะพวกลูกหาแล้วคนอื่นๆเขาขึ้นไปหมดแล้วตอนนี้เหลือน้อยคนเดียวที่มัวแต่ละเลียดอยู่ะเสียงน้องสาวเงียบหายไปอนุชาก็นั่งสูบุรีอยู่เงียบๆ พอบุรีหมดตัวร้องเรียกเบาๆอีกครั้งไม่ได้ยินเสียงตอบจึงหันกลับมาใจหายว่าร้องกับเพนพรวดขึ้นยืนทันทีเบื้องต่มจากที่ยืนบนโขดหินลงไปอันเป็นแอ่งน้ำเห็นแต่ขันพลาสติกที่ดารินใช้ตักรถตัวลอยอยู่ในน้ำที่แลตื้นลงไปเห็นพื้นกรวดบนแท่นหินใกล้ๆ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 เขาตะโกนสุดเสียงพร้อมกับกระโจนครมลงไปตรงแอีงน้ำตื้นนั้นกว่าสายตาไปรอบๆไ ร, อรฟอนในมือขยับลูกเลื่อนทันทีวิวแววที่จะเห็นก็คือรอยน้ำที่กระเพื่อมเพราะการกระโจนลงมาของเขาเองซึ่งขณะนี้มันจมอยู่แค่ครึ่งหน้าแท่งเขามองละไปยังฝั่งตรงข้ามพื้นเต็มไปได้วยต้นว่านกระดาษและเฟิร์นสลับไปได้วยก้อนหินตะไคร่จับเขียว ลักษณะเหมือนเส้นทางด่านสำหรับสัตว์ลงกินน้ำครับคลครับคล้าว่าจะเห็นแผ่นหลังขาวๆกำลังเดินแหวกเข้าไปในพงเฟินและว่านกระดาษนั้นอนุชามีเสียงเท่าไรก็ตะโกนออกไปเท่านั้นพร้อมกันก็ตะลุยแล่นตัดแอ่งน้ำซึ่งกว้างประมาณ 7-8 เมตรนั้นพุ่งไปยังทิศทางที่มองเห็นหลังแวบๆน้นทันทีอย่างเร็วที่สุดกระจรขึ้นฝั่งตะลุยตามหลังที่เห็นไป พอดงฟอนถูกแวกออกเขาก็เห็นเบื้องหลังของดารินวราริธนัดหล่นกำลังเดินเท้าเปล่าเปลือยร่างกายกระโจมอกด้วยผ้าเช็ดตัวผืนเล็กสั้นลอยขึ้นมาถึงโคนขากำลังเดินในลักษณะเหมือนคนต้องงนสะกดไม่ยินยนกระเสียงใดทั้งสิน้นเคลื่อนเข้าไปสู่อะไรชนิดหนึ่งที่ยืนสองขาสูงประงานทามึนอยู่ มันกำลังโบกมือทั้งสองขึ้นเรียบช้าๆแล้วตัวมันเองก็เดินถอยหลังถอยหลังหล่อนก็เดินอย่างแช่มช้าตามมันไปในลักษณะลืมตัวอนุชาตวัดไรเฟิลขึ้นไหลทันทีเลีงไปที่ใบหน้าแห้งกรอะไปกระดูกนั้นแต่เขายังเหนียวไกลไม่ได้ชัว่วเก่งวินาทีเพราะแม้ร่างมันจะใหญ่สูงกว่าดารินซักขนาดไหนก็ตาม แต่บังเอิญขณะนั้นหลอนก้าวขึ้นไปบนแง่หินและมีส่วนหลังบางไอผีดิบไว้สีสะใหญ่โตของมันโผล่สูงพ้นสีสะดารินประมาณหนึ่งฝ่ามือเป็นบริเวณหน้าผากแต่อนุชาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยิงข้ามหัวน้องสาวเพื่อแหกกะโหลกที่เห็นอยู่นั้นได้เพราะถ้าเขาพลาดนิดเดียวด้วยความตื่นเต้นรีบด่วนศีษะของดารินนั่นแหละที่จะระเบิดเป็นเสียงออกไป จากอำนาจลูกปืนยิงสัตว์ใหญ่เมื่อยิงยังไม่ได้ในขณะนั้นอดีพรชดก็กระโจนตามหลังเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตและบัตรนั้นเองเงาทะมึนสูงใหญ่พอๆกันกับที่กำลังสะกดให้ดารินเดินตามแต่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวกว่ามากก็พล่พรวดออกมาจากเงาหินทั้งสองด้านริมทางผ่าน บัตรร่างที่กำลังวิ่งตะกายไล่หลังไปของเขาอย่างจังเรากับวิ่งไปชนท่อนไม้ทั้งท่อนอนุชาหงายหลังถึงก้นกระแทกจ้ำเบ้าลงกับพื้นไร้ฟันในมือหลุดกระเด็นเข้าไปในพงเฟินเขาพลิกตัวกลับในสภาพอันลุกลนพังออกกายขึ้นพร้อมมือที่ปาดไปยังด้ามปืนพกจุดสี่สี่ที่ติดเอวอยู่แต่มันดูเหมือนจะชาไปซะแล้ว พตีนอันเต็มไปด้วกระดูกและหนักอึ้งของเจ้าตัวที่ยางสามขุมเข้ามาใกล้ที่สุดเหยียบบูบลงมากลางอกเขาแล้วกดให้นอนราบหงายลงไปกับพื้นลักษณะของมันเหมือนจะใช้ตีนใหญ่โตมาโหรานข้างนั้นเหยียบขยี้เขาให้แหลกลงไปกับพื้นความรู้สึกของอนุชายามนี้เหมือนมีก้อนหินมาคือมาทับอกไว้ขยับขยืนส่วนกายไม่ได้ นอกจากมือและเท้าที่ดินกระเดวกระเดวควายคว้วาหาทางสู้สุดฤทธิ์เขาพยายามจะจับขามันไว้ใช้หลักการต่อสู้มือเปล่าอันเคยชำนาญสารพัดวิธีที่จะปดข่าเท้าที่เหยียบลงมากลางสวงอกออกไปให้ได้ใบ ป, ปราศจากผมเขาเริ่มหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนกระดูอกอกจะหักออกไปแล้วไอผีดิบต้นหนึ่งที่โพรจังก้าออกมาพร้อมๆกับตัวที่เหยียบอกเขาไวา ก็กำลังยกฝ่าเท้าจะเยียบลงมากลางใบหนะ้ามันเป็นช่วงวินาทีวิกฤตที่สุดที่อนุชาวราฤทธิ์มองเห็นมรณาการลอยอยู่เบื้องหน้าแม้แต่จะเป็นเสียงร้องก็ยังไม่มีเสียงใดๆลอดริมฝีปากออกมาได้จุกแน่นอึดอัดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินนักบัตรนี้ ระหว่างที่สเตยยังพอจะมีเหลืออยู่บ้างแต่น้อยเต็มทีสดเขาได้ยินเสียงหัวเราะแทแทบเยอยหยันข้าวหน้าอันแสงจะน่ากเกลียดของไอ้มัมมี่นักอายุไม่ได้และสภาพซากอันกระรุ่งกระริงแต่ใหญ่โตของมันกับฝาาตีนอันแลเห็นกระดูกคุ้มหนังยาวร่วมฟุตของอีกตัวหนึ่งที่กำลังลอยต่าลงมาในระหว่างใบหน้า และลำคอของเขาโศไปไปปเขาภาวนาอิติปิโสถอยหลังอยู่ในใจได้เพียงแค่นั้นก่อนที่ฟาตีนเต็มไปด้วยกระดูกนั้นจะสัมผัสกับจุดสาคัญในร่างกายของอนุชาวราริศผู้ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะนี้ สองหูของเขาก็กึกก้องไปด้วยกำปันาทของเสียงปืนที่ประสานกันดังสะเทือนไปหมดทั้งบรรยากาศเงียบสงบบริเวณ น, นั้นราวกับเสียงสายฟ้าจากพระผู้เป็นเจ้าในสูงสวรรค์ฟาดลงมาในคุมนรกที่กำลังเต็มไปด้วยความทรมานและสิ้นหวังของสัตว์ต้องทนพร้อมๆกับเสียงปืนที่จำแนกนัดไม่ถูกฝาตินของไอ้ผีดิบทั้งที่เหยียบปรึงซวงอกเขาไว และทั้งที่กำลังจะกดลงมายังกระเดือกลอยหลุดออกไปในทันทีดวงตาของอนุชาอันเบิกอยู่จึงพอมองเห็นได้ในแสงคมุกขมัว ข, ข, ข, ของสุนทยายยัมไอเจ้าของตีนมาหาไทัยทั้งสองตนทั้งห่างจากร่างที่กำลังนอนงายแผ่ของเขาด้วยลักษณะหมุนผวานั่นเกิดจากอำนาจของหัวกระสุนน้ำหนัก500เอยกรนแรงกระแทกขนาด 5,000 ันฟุตเปาที่พุ่งมากระทบ และคงกระนำกระทบเรื่อกระทุ้งต่อไปโดยการยิงติดต่อกันมาที่ยิบภาวะวิกฤตของเขาผ่านคนไปแล้วขนาดไมโครเซกันหรือหนึ่งในล้านวินาทีและนักต่อสู้พจญภัยอย่างอนุชาก็ตรหนักดีว่าเขายังไม่สมควรที่จะพังงกศรีรษะหรือลุกขึ้นก่อนในขณนะท่ามกลางความชุกโลหุกของลูกปืนจากทักพวกอันระดมยิงช่วยมาจากเบื้องหลัง เพราะมิฉะนั้นร่างกายของเขาเองอาจถูกกระสุนเข้าได้จึงยังคงนอนราบอยู่กับพื้นฟังเสียงปืนเสียงร้องเอะอาที่ฟังแซ่ประสานไม่ได้สับและมองเห็นสภาพไอผีดิบใหญ่โตทั้งสองตัวที่กำลังหมายปองชีวิตเขาอยู่หยกหย ก, ยกลิกผงะชวนเซมุนอยู่ไปมาในระยะที่มันยังยืนอยู่ใกล้ๆกับที่เขานอนอยู่ในขณะนี้เห็นถนัดว่ามันถูกลูกปืนยางจัง ทะลุผ่านลำตัวบริเวณหน้า อ, อกเศษวัดสดุอันอดีตการเคยเป็นเนื้อหนังมังสาและกระดูกปลูกระเด็นออกมาจากบาดแผลออกทางตามหัวลุกพึ้นที่คว้ามทะลวงบิดตัวออกไปมันจะเจ็บปวดหรือมีความรู้สึกอย่างไรเขาไม่อาจทราบได้เพราะไม่ปรากฏเสียงร้องหรืออาการดิน้นสภาพที่มันถอยพลัหมุนคว้าง เป็นไปอย่างหุ่นจนที่ถูกแรงกระทุ้งียมากกว่าและเจ้าตัวหนึ่งที่กำลังหันหลังให้เขาสองตีนเดินสวบสวบทำท่าจะพลัดศีรษะอันวางอยู่บนลำคอแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ของมันบัดนี้หักพักลงเห็นทาตาด้วยกระสุนจุด4 5หแมกนัมแอฟริกันถ้าไม่จากมือของพี่ชายใหญ่เชฐาก็คงจากชายันคนใดคนหนึ่ง ยังไม่หยักมาจากอีกฟังของแต่งน้ําแล้วแม้คอมันจะหักพับลงมาแล้วเช่นนั้นก็ตามสองตีนของมันยังก้าวเดินด้วยอาการหนีต่อไปยิงกระดูกขาของมันนายยิงกระดูกขาเสียงตะโกนลั่แวกมาจากเสียงคนเหล่านั้นเป็นเสียงไหสองสามเปรี้ยงที่ดังไม่ห่างจากตัวอนุชาเท่าไรนะัก ทำให้เขาเห็นภาพของไอตัวนั้นสุดขัวเพราะกระดูกขาบริเวณบานพับถูกทำลายด้วยกระสุน ม, มันล้มลงไปคากอเฟินในลักษณะประหลาดผิดมนุษย์หรือสัตว์มีชีวิตทั้งหลายคือขาซ้ายตำแหน่งที่ถูกลูกปืนทำลายกระดูกหักย้อยยับงอไปข้างหน้าเพราะทานน้ำหนักส่วนบนไม่ไหวหัวเขาพุ่งไปทางด้านหน้าส่วนตัวของมันเอ็นมาทางเบื้องหลัง เหมือนคนคุกเข่และนอนหงายหลังมันฟ้าลงกับพื้นดังสะเทือนแผ่นดินจากน้ำหนักกระดูกใหญ่โตนี้ตัวที่สองอันจําได้ว่าเป็นตัวที่พยายามจะเหยียบลงมาที่กระเดือกเขาไปเป็นเป้ากระสุนต่อไปอย่างดุเดือดของฝ่ายนั้นครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสียงไรเฟิ่นเท่านั้นเขาได้ยินเสียงโลงโลงกว้งกว้า ง, า ง, างของกระสุนชนิดลูกซอง ระเบิดแท่ซ้ำติดตามมาด้วยไม่แย่ว่าเป็นการช่วยิงจากบรรดาลูกหางที่คงจะเล่นตามมาถี่ระดมช่วยกันอีกเป็นการใหญ่ศีรษะของมันส่วนบนบริเวณหน้าผากขาดกระจุยประเด็นเป็นฝอยดำๆเหมือนเปลือกของตอไม้ปุกไปว่วนกระจายไปราวกะถูกระเบิดแหกและชัวพริตตาต่อมาของการระดมยิง โดยไม่นับไม่ยัง้งจากกระสุนนานาชนิดทั้งส่วนหัวของมันก็กุดด้วนหายไปในทันทีราวกับหัวต่อไม้ที่ถูกขวานสักซ้ำซ้ำเหลือแต่บาอันปราศจากและโดยร่างกายอันปราศจากหัวนั้นมันก็หลบแว บ, บเข้าไปหลังโขดหินใหญ่ที่มันโผลออกมาทันทีกระสุนที่ติดตามมาอีกเป็นสายถึงพุ่งเข้าประทะก้อนหินที่จับเขียวไปด้ตะไคร แตกเป็นสเก็ขาวเวอร์นักตำแหน่งไม่ทวนมีเสียงคนาหลายคู่วิ่งตูมตามปลุยข้ามแอ่งน้ำตื้นๆ ต, ตรงเข้ามาที่เขาเสียงตะโกนเรียกน้มเขานามของดารินฟังไม่เป็นสัตว์มันเป็นสพรพสัมเนียงของความโกลาหลตกใจสุดแล้วใครคนหนึ่งก็ลรวดเข้ามาประคองเขาไว้กระชากขึ้นมาในอ้อมแขนรางก็ตะโกนละล่ำละลักว่า นายหญิงต่อไปเร็วนั้นอินจะดูนายชนเองเขารู้แน่ว่าผู้ถึงตัวเขาก่อนและกล้มลงประคองอยู่ในขณะนี้คือการเท่าผู้ใจสี่ห้าคนอันคงจะมีทั้งเชิดขาทยันชยินและตัวหัวหน้าลูกหาบที่พรูกันเข้ามาถึงในวินาทีสิบสิกันพากันวิ่งตะลุยต่อไปมุ่งไปทางดารินอันไม่มีใครบอกได้ ว่าหลนกำลังตกอยู่ในภาวะใดขณะนี้ขณะที่อดีตรานชดหรืออนุชาวราริส ก, กำลังลุกขึ้นมานั่งทางเขาสะบัดหน้าเราเร้าอยู่โดยมีหนานอินเทย่าไหลเรียกอยู่ทีทีเขาได้ยินเสียงชุนลมุนเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวพวกลูกหาทั้งหมดคงจะแล่นตามกันมาทุกคนและกำลังวิ่งผ่านกายเข้าไปในขณะนี้ สูนนั้นคุณเองก็ตะโกนสั่งความอยู่ชนิดลิ้นพันกันโลงเลงไปหมดเฮ้ยพวกเองตามนายใหญ่ไปอย่าไปตามไอ้ตัวที่มันหัวขาดอไอ้ตัวที่มันโผล่มาล่อนะให้ตามเฉพาะตัวที่มันจะเอาตัวนายหญิงไปตามไปเร็วมีเสียงโห่ร้องเอะอะแบบไล่ราวปืนยังพงระเบิดเปรีย้ยงปรางไม่เป็นซําส่วนขยิงก็ตะโกนสนันปากเตือนพวกลูกหาบให้ระวังจะยิงถูกกันเอง สามวินาทีต่อมาอนุชาพอจะได้สติขึ้นมาบ้างแล้วุดลุกขึ้นยืนแต่นานอินยังจับแขนยึดไว้มั่นร้องถามอาการของเขาเป็นรถไฟด่วนอดิตพรานชดตอบมาเร็วหรือเกือบเป็นเสียงตะวดัดฉันไม่เป็นไรตามนายอิงเดียวนี้เร็วพร้อมกับร้องเขาก็ก้มลงไปตะกุยค้นหาไราเฟิลของตอนเองอที่จาได้ว่าหล่นอยู่ริมทาง ว้าขึ้นมาได้แล้วก็ออกเล่นตามพวกพ้องทั้งหมดที่วิ่งเป็นขบวนไปทางราบแวกก็เปินไปเบื้องหนะ้าบัดนี้เสียงปืนหยุดสงบลงแล้วจะมีก็แต่เสียงจอแจจอกแจ๊กของพักพวกกลุ่มใหญ่อันยืนแวดล้อมอยู่ตรงก้อนหิน ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินลาดสูงขึ้นไปรอบด้านเต็มไปด้วยวัชพืชพงรกมองเห็นพี่ชายใหญ่และชายันกำลังช่วยกันจับแขนดารินผู้ยืนตัวแข็งนิ่งตามเม๋อมองอย่างคนไร้สติอยู่ตำแหน่งนั้นและรอบด้านขายินกับพวกลูกหาบทุกคนยืนรายล้อมบ้างกำลังจ้องตะลึงยืนดูบ้างก็กำลังแวกหาอะไรอยู่ในพงรกใกล้ๆภาพทุกอย่าง เป็นเงาสลัวไฟฉายใครมีไฟฉายติดตัวมั่งนั่นเป็นเสียงตะโกนของเชิฐาเพียงแค่ขาดเสียงของเขาก็มีลําแสงไฟฉายสองสามดวงซึ่งอาจจะมีติดมืออยู่ในบรรดาลูกหาบสองจ้าเข้าไปที่ร่างของดารินซึ่งบัด น, นี้มีเพียงผ้าเช็ดตัวเล็กๆบางๆผืนเดียวนุ่งกระโจมอกอยู่หล่อนยืนอยู่ในลักษณะของคนถูกสะกดจิตมิยายพี่ชายและเพื่อน จะเขย่าเรียกตัวยังไงก็ไม่รู้สึกไอจอมผีดิบมันไตรหรือสมุนบริวารของมันถ้าหากจะมีอยู่อีกบัดนี้เร้นหายไปหมดแล้วอย่างมองไม่เห็นตัวขยินขยับจะตะลุยตามลึกเข้าไปจากรอยป่าเฟินที่เห็นอยู่แหวกลู่เป็นทางแต่นันอินตวาดเรียกให้มันหยุดอยู่เพียงแค่นั้นแล้วอนุชาผู้เกือบจะถึงกับชีวิตโดยรอดได้อย่างบุดวิด ก็กระโจนพรวดเข้าไปถึงตัวน้องสาวเขายังไม่แตกต้องแต่จ้องหน้าโดยขอไฟฉายจากมือลูกหาบคนหนึ่งไปส่องดูหน้าอันซี่ไม่มีสีเลือดนั้นอย่าเพิ่งเรียกหรือทำอะไรก่อนเลยครับพี่ใหญ่เขาบอกขึ้นอย่างกระหืดกระหอบภายหลังจากการพิจารณาแล้วก็อย่าเพิ่งถามอะไรทั้งนั้นครับพี่กลับที่พักเดี๋ยวนี้เหอะผมจะแบกน้อยเองกล่าวจบอนุชาก็ตวัดอุ้มน้องสาวลอยขึ้นไปในอ้อมแขน โดยโยนไรเฟิลของตนเองไปให้ชายันช่วยถือไว้พาเดินจ้ำพรวดพรวดย้อนกลับมายังแอ่งน้ำตำแหน่งที่เป็นต้นเหตุเกิดเรื่องนานอินเชษฐาชายันและทุกคนออกวิง่งเยาะเะล้อมหน้าล้อมหลังตามมาทั้งชุดพอ่านตำแหน่งที่ดารินนั่งอาบน้ำอยู่อนุชาก็ร้องบอกเร่งร้อนมาอีกว่าลุงอินเอาเสื้อผ้าปืนของนาหญิงมาด้วยแล้วก็พี่ใหญ่ใช้ไฟด้วยดีนะ มีกิ่งไม้เล็กๆปักอยู่ตรงนั้นแหละระเครื่องของน้อยแขวนอยู่เอามาด้วยนะครับเขาถอดหลวงพ่อออกขณะที่ลงไม่อาบน้ำทั้งเชตดฐาและชัยยันตรงเข้าไปสำรวจตรงบริเวณนั้นทันทีในขณะที่อนุชาอุ้มน้องสาวลุยขึ้นไปยังฝั่งอันเป็นที่ตั้งแคมป์ซึ่งบัดนี้ก่อไฟไว้สามกองใหญ่ๆกาลังลุกโชนการหุงหาและการย่างเนื้อยังคงคาค้างอยู่ในภาวะนั้น เพราะยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นักขณะนั้นก็มีเสียงของขยินผู้อดีตเป็นคนกลัวผีและสิ่งประหลาดประหลาดอันพิสูจน์ไม่ได้มากที่สุดแต่มาบัดนี้กลายเป็นคนที่กล้าหารบ้าระหมดีเดือดที่สุดคงเนื่องมาจากฐานเทือกพระศิวะกับระพินมาก่อนแล้วเป็นบทเรียนเปลี่ยนนิสัยเดิมก็ตะโกนมาจากเบื้องหลังว่าไอตัวที่นใหญ่กันายทหารยิงกระดูกขาหลังแหลก ยังนอนเป็นท่อนหินอยู่นี่จะทำยังไงดีหลักฐานซ่าของไอ้ผีดิบทิ้งไว้ให้เห็นในขณะนี้หนึ่งตัวแล้วโดยยังไม่อาจลากซ่าของมันเองหลบหนีไปได้จากกลุ่มตามล่านันอินก็ร้องบอกไปว่าเออปล่อยมันไว้ น, นั่นแหละอย่าเพิ่มไปยุ่งกับมันเสือกไปอยู่คนเดียวเดียวมันก็ควาคอมือซะแต่นะไอ้เยยินตอนนี้ร่างกายมันไปไม่ได้เร็ว มันก็ถอดวิญญาณออกไปก่อนแล้วทิ้งไว้แค่ซากเท่านั้นแหละเชิดฐาฉายไฟกราดดูรอบๆพบตาแหน่งแขวนพระเครื่องของน้องสาวคนเล็กซึ่งถอดไว้ขณะที่ลงอาบน้ำตรงตามที่น้องชายกลางบอกจึงคว้าขึ้นมาจบบูชาขึ้นเหนือศีรษะแล้วใส่กระเป๋าเสือ้อสาวเท้าตามหลังอนุชาอันนำดาินล่วงหน้ามาก่อนทันที อนุชานั้นพออุ้มน้องสาวมาถึงบริเวณที่พักนอนล้อมรอบด้วยกองไฟก็วางร่างลงเอาผ้าห่มคลุมตัวให้บังร่างกายอันเกือบจะเปรยและล่อแหลมต่อสายตาเพราะกระโจมอกไว้เพียงผ้าเช็ดตัวผืนเท่ากระแ บ, บ่มือมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เชตฐาชัยยันและทุกคนติดตามเข้ามาถึงดารินนอนลืมตาโพลงอยู่เช่นเดิมไม่ยินยนอะไรทั้งสิ้น ต่อความโกลาหลที่เกิดขึ้นรอบกายเทฐาชายันพรวดเขามานั่งขนาบใกล้อยู่คนละด้านพยายามจะเรียกแต่อนุชา ย, ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนสงบบัดนี้อดีตพรานชดุดปรับสติอารมณ์ได้เรียบร้อยแล้วแต่สีหน้ายังเครียดขรึมส่วนวิชายใหญ่และเพื่อนอยู่ในสภาพตื่นตระหนกสีหน้าเหมือนปลาสำลักน้ำทุกคนเฉยๆไปก่อนครับ ไม่เป็นไรครับผมรับรองว่าไม่เป็นไรน้อยจะปลอดภัยทุกอย่างครับอ่ะพี่ใหญ่ครับพระเครื่องของน้อยส่งให้ผมเถอะเร็วเฉถาเองขณะ น, นี้ก็พยายามที่จะปรับสติอารมณ์ที่กำลังกระเจิดกระเจิงอยู่ให้สงบลงภายใต้สีหน้าเยือกเย็นส่วนชั ย, ยันนั้นยังอยู่ในภาวะตื่นเต้นตายสั่นเทิมเหตุการณ์ร้ายแรงเพียงไหนก็ตามที่เผชิญกับตนเองเขาไม่เคยประวัติ่นพึงเลย สำหรับอดีตนายทหารปืนใหญ่แต่นี่มันมาเกิดขึ้นกับบุคคลที่ทุกคนห่วงที่สุดในคณะคือดารินซึ่งยังไม่อาจทำนายอนาคตถูกว่าจะเป็นไปในลักษณะไหนช ย, ยันสารภาพกับตนเองว่าตกใจเป็นอย่างยิ่งเขาแล่นมาถึงบริเวณเกิดเหตุพร้อมๆกับเชิฐถาไม่เห็นต้นเหตุว่ามันเกิดขึ้นยังไงแต่เห็นภาพของไอ้ผีดิบสองตัวที่กาลังรุมเล่นงานอนุชา ซึ่งเขาเป็นคนระเบิดกระสุนออกไปพร้อมๆกับเชษฐาแล้วก็ยิงจนหมดแมกกาซีนที่บรรจุอยู่ในไรเฟิลประจำตัวซ้ำยังใช้ปืนพกสั้นจุด44ยิงต่อไปอีกโดยไม่นับเมื่อกระสุนไรเฟิลหมดเท่าที่บรรจุอยู่โดยบรรจุซ้ำไม่ทันใจเชิฐาล้วงกระเป๋าเสือ้อส่งสร้อยพระเครื่องซึ่งมีหลวงพ่อห้อยอยู่เพียงสองอ ง, องค์สมเด็จวัดระฆังและสมเด็จวัดปากน้าอนุชารับมา จบด้วยมือทั้งสองพนมขึ้นสวดท่องคถาอาราธนาอยู่อึดใจใหญ่แล้วประคองศรีรษะของดารินขึ้นค่อยๆบรรจงคล้องพระเครื่องประจำตัวของหญิงสาวกลับคืนเข้าสู่คอทันทีที่หลวงพ่อคล้องผ่านศรีรษะและเขวนกลับเข้าสู่ลำคอตามเดิมทุกคนเห็นดวงตาที่เบิกค้างตึงของดารินอันปราศจากแววนั้นกระพริบลงทันที ทุกสายตาจ้องมองนิ่งมาเป็นตาเดียวรอคอยดูอยู่หลอนกระพริบตาครั้งแรกแล้วลืมตาขึ้นต่อมาก็กระพริบทีๆขึ้นประกายชีวิตเริ่มปรากฏขึ้นที่แววตาทั้งคู่แล้วผิดแผกไปกว่าที่เป็นอยู่เมื่อครู่นี้ยังไม่มีใครเรียกหลอนทั้งสิ่งนอกจากล้อมดูอยู่เฉยๆอนุชานั้นสอดมือเข้าไปในผ้าห่มที่เขาเองเป็นผู้คลุมร่างให้ จับอยู่ที่ชีพจรรู้สึกได้ทันทีว่าจากจังหวะเต้นที่อ่อนและแช่มช้ามากเริ่มจะแรงและเร็วขึ้นเป็นลำดัดอึดใจใหญ่ต่อมาดาริงจึงขยับตัวกว่าตามองหน้าของทุกคนที่แวดล้อมอยู่รอบ ด, ด้านร้องอะไรในลำคอออกมาเบาๆคำหนึ่งเป็นสำเนียงประหลาดใจทำท่าจะพะงโงกสีสะขึ้น แต่อนุชาตแตะไปที่หน้าพากกดให้นอนพักอยู่ตามเดิมอย่าเพิ่งพูดหรือขยับตัวอะไรทั้งสิ้นนะน้อยได้ยินและเข้าใจที่พี่สั่งนี่ไหมถ้าเข้าใจให้พยักหน้านะดารินพยักหน้าช้าๆลงครั้งหนึ่งแสดงว่าหล่อนรู้สึกตัวแล้วแน่นอนเอาละต่อไปก็สงบจิตสวดพระคาถาชินบัญชรไปสามจบก่อน เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำอะไรก่อนทั้งนั้นแหละสวดเลยดารินหลับตาลงพนมมือทั้งสองขึ้นบนสวงอกแล้วภาวนาตามคำสั่งทันทีระหว่างที่ดารินอยู่ในภาวะสวดภาวนาเหมือนจะเข้าฌานสมาธินั้นอนุชาถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกสกิดกระซิบกระครูพรานนานอิน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 ผวนไว้กับกิ่งไม้แห้งที่ตัวเขาเองหักไปปักไว้ใกล้ๆตัวนั่นแหละผมไม่คิดว่ามันจะเฉวยโอกาสเพียงแค่จังหวะสั้นๆนิดเดียวระหว่างนั้นความจริงน้อยก็พูดคุยอยู่กับผมจ้อยๆตลอดเวลาระยะมันก็ห่างกันระหว่างผมที่นั่งอยู่บนยอดหินและน้อยก็นั่งอาบน้ํานในแอง่งแค่ไม่เกินสามสี่วาเท่านั้นแหละพอเห็นเงียบเสียงไปและผมสูบบุหรี่หมดตัวก็เรียกไงก็ขึ้นได้แล้ว ที่ตอนนั้นปรากฏว่าเงียบหายไปไม่มีคำตอบหันกลับมาเท่านั้นเห็นถูกมันสะกดเดินตามต้อย ต, อ ย, ตอยไปซะแล้วแต่ก็เห็นหลัดหลัดแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นตอนนั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงเ อ, งอะอะววายของเธอลกลางเชิดถาบอกมาเสียงแผ่วต่ำทุกคนก็ตกใจหมดรู้แน่ว่ามันเกิดเรื่องร้ายจึงวิ่งตามไปโชคดีที่ระยะมันไม่ห่างนัก เห็นเธอกําลังนอนแผ่ราหมดท่าอยู่ไอ้สองตัวนั้นกําลังเหยียบก็เลยยิงแล้วใครต่อใครอีกหลายคนของพวกเราก็ตามไปติดๆก็ช่วยระดมยิงเงินการใหญ่ครับอี่ตอนนั้นตาพี่ใหญ่กระชัยยันแล้วพวกเราชา ก, กว่านั้นนิดเดียวผมก็ถูกมันเหยียบกระเดือกแตกไปแล้วละตอนที่ผมเสียท่ามันเกิดขึ้นขณะที่ผมกวดตามหลังน้อยที่เห็นแวบแวบเดินตามไอ้มันไรไปไอ้จะยิงตอนนั้นมันก็ไม่ถนัด เพราะมุมยิงมันไม่อำนวยผมจึงปวดไล่าตามพอผ่านแง่หินใหญ่บริวารของมันสองตัวอย่างที่ทุกคนเห็นก็โผล่มากระแทกผมล้มหงายลงแล้วมันก็ช่วยกันเหยียบผมก่อนที่จะทันตั้งตัวหลังจากนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นกับตาแล้วและครับแปลว่าช่วงวินาทีวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนที่น้อยหยุดพูดกระแกเดียวเดียวเท่านั้นสินะชัยันขมวดคิ้วถาน ใช่แป๊เดียวเท่านั้นแหละแสดงว่ามันรอจังหวะโอกาสอยู่ตลอดเวลาแล้วมาประกอบกับตอนที่น้อยถอดพร ะ, ะออกจากคอด้วยดิเชิฐาเม้นริมฝีปากแน่นชัยันครางอะไรในลำคอแล้วเป่าลมออกจากปากเห็นมหรับาดไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวนี่แปลว่ามันดักคอยเราอยู่แล้วตรงบริเวณที่เรายึดถือเป็นแหล่งพักเนี่ยอนุชา ย, ยิมแข็ง ใช่มันก็ดักคอยรอจังหวะจะเล่นงานเราทุกขนทุกแหงและวจนกว่าเราจะพินาศหรือมันจะพินาศจุดประสงค์ของมันเฉพาะคราวนี้ก็คือใช้อํา น, นาจติตตานุภาพสะกดน้อยออกไปก่อนและถ้าเราสกัดไม่ทันมันก็น้อยไปเลยจะเอาไปไหนนะนรกเท่านั้นแหละที่จะรู้ได้แต่ที่แน่แน่ก็คือมันจะยังไม่ทําอันตรายใดๆน้อยแค่เอาตัวไปเท่านั้น ส่วนพวกเรานี่ยสิมันเอาตายแน่แล้วถ้ามันเอาน้อยไปได้เมื่อไหร่ก็เท่ากับมันล่อเราให้เข้าไปสู่กับดักแน่นอนซึ่งเราก็เสียเปรียบเต็มประตูศึกระหว่างเรากับมันไรครั้งนี้มันน่าหนักใจมากจ่ละครับเออแล้วเธอคิดว่ามันไปไหนแล้วขณะที่เกิดยิงกันขึ้นทั้งที่มันสะกดน้อยออกไปได้แล้วอย่างนั้นผมเข้าใจว่าเพราะพวกเรารู้ตัว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 ก็จะต้องถูกเราทำลายเละจึงสงวนไว้ก่อนปล่อยให้บริวารของมันรับหน้าไปพังทางเพราะแม้จะถูกทำลายมันก็ไม่กลัวยังไปสิงสู่ด้วยอาคมเรียกตัวอื่นๆอันมีอยู่มากมายมาใช้ได้ตลอดการไม่สังเกตเหรอครับมันวางกําลังของมันไว้รอบป่าแอบเอาไปซุ่มไว้ตามที่ต่างๆตรงจุดที่เราจะต้องเดินผ่านตอนที่เราจะเข้าถ้ำน า, านาคราศโดยนันอินหมายจะพาเข้าไป เราก็ยังพบซากที่มันทิ้งเพื่อดักไวรอถูกความร้อนของตัวที่หนานอินเรียกว่าสางหาหรือพญานาคแผดเผาในขณะ ท, ที่เลื้อยผ่านเข้าไปในถ้าตายเป็นขี้เท่าไปเลยนั่นถ้าสางหาไม่เลื้ยนำหน้าเราเข้าไปซะก่อนผมว่าเราทาาั้งคณะหรือไม่กับคนใดคนหนึ่งคงถูกพวกมันดักโจมตีระหว่างที่มุดเข้าไปในถ้ำแน่นอนเออเรากําลังจะมุ่งเข้าหา น, านาครอยู่พอดีนะ มันก็มาดักเล่นงานเราซะ ก, ก่อนแล้วเท้าพุ่มพรรรีตาลงคืนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันจะมาไม่ไหนอีกไม่ต้องห่วงครับพี่ใหญ่ผมกับลุงอินอะพร้อมอยู่เสมอครับมันทําเราข้างเดียวไม่ได้หรอกมีได้มีเสียเหมือนกันเราพลาดก็เป็นทีของมันแต่ถ้ามันพลาดเราก็ไม่เอาไว้ถึงน้องเองเขาก็เตรียมรับเต็มที่แล้วครับ เมื่อครูใหญ่ที่เกิดเรื่องนี่มันก็เป็นความพลั้งเผลอของเขาเท่านั้นก่อนหน้าเกิดเหตุเ้ายังคุยกันอยู่เลยน้อยบอกว่าจะมุ่งนิทราศนครให้ได้ซ้ำยังบอกอะไรเป็นในในพิโกนอ่ะอนุชาชะ ง, งักไปเพียงแค่นั้นเทถาชายันถามพร้อมกันอย่างสงสัยในในอะไรก็น้อยก็บอกว่ามันเป็นบ้านเก่าของเขา ซึ่งเขาจะต้องกลับไปให้ได้ขณะที่พูดและดูเขามีความมั่นใจอย่างเต็มที่และหลังจากนั้นเดี๋ยวเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นนะพี่ใหญ่กระชายันคิดไหมว่าพอจะหาทางมุ่งเข้าหาบริเวณอันเป็นที่ตั้งของนครโบราณที่เคยผ่านมาแล้วนี่ได้สำหรับผมกนะนันอินนี่ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยนะครับเชษฐาเอานิ้วเกาหัวคิ้วพยายามใช้ความคิดตรตรองเต็มที่ แล้วหันไปสบตาชายันอดีตนตายทหารปืนใหญ่เพื่อนร่วมตายมาทุกสมัยยิ้มขึ้น